ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังท่าไหลายแต่ลมประปุติยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาวาจาคือการเจราจา ช, ชอบกำมาถึงช่วงของการงมดเว้นจากวาจาสโสเสียดได้แก่การยุยงให้เกิดความแตกแยกดังนันมองคนทั้งหลายด้วยความเป็นมิตรสนิทสนมุม มุ่งสงเคราะห์นุเคราะห์มุ่งการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นและคนอื่นกับบุคคลอื่นโดยพื้นฐานจริงๆก็เรียกว่ารักมนุษยชาติหรือว่ามีเมตตาเป็นพื้นฐานใจคนในโลกนั้นที่จริงก็มีอยู่สามกลุ่ม แต่ถ้าเราเปลียดเขาเราิสยาเขาเราโกรธเขาเราอาฆาตพยาบาทเขาเราขึงหวงเขาเราแข่งดีกับเขาเป็นต้นนี่มันทำไม่ได้มันจะต้องมีพื้นจิตที่กรดไปเมตตาความรักความเคารพความนับถือความศรัทธาความมุ่งดีปรารถนาดีเป็นต้นมีสักอย่างหนึ่งนะสามาี่จะพูดวาจาที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้พูดคือไม่ต้องสะสมบาปหรือวา่าจ่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังคือได้ความรู้สึกที่ดีได้ความเสียงที่ดีแล้วก็ได้การอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขซึ่งก็คนกลุ่มหนึ่งคือคนกลุ่มที่ยังไม่รู้จักกัน เราก็พูดส่งเสริมสนับสนุนแนะนำาละเขารู้จักกันเป็นมินสนิทสนุมกันคนกลุม่ม น, นั้นเขาเคยเป็นมินสนิทสนุมกันแต่ก็มีความขัดแย้งกันมีข้าวจะทะเลาะวิวาจาแตกแยกกันอาจจะเป็นสามีกับภรรยาเพื่อนกับเพื่อนพี่กับน้องญาติกับญาติ ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาปว้ร่วมงานกันถือเมื่อก่อนก็เป็นอันหนึ่งกันเดียวแต่ว่ามันเกิดขัดแย้งอะไรกันขึ้นมามีข้าวจะแตกหักกันแล้วก็มุ่งดีต่อบุคคลสองฝ่ายก็ไปพูดประสานแล้วก็รู้สึกอดกั้นอดทนผ่อนปอนกันพยายามนึกถึงความดีของฝ่ายหนึ่ง โดยมุ่งหมายที่จะให้เขาคืนดีกันอยู่ร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมบนประโยชน์กันคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นคือสามัคคีกันอยู่แล้วเป็นอันหนึ่งอันดีกันอันเดียวกันดีอยู่แล้วเราก็พูดกระชับให้เขามีความสมานสามัคคีกันยิ่งขึ้นแล้วอาจจะใช้บุคลคลกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างไปชี้แนะให้คนทั้งหลาย ขาเห็นตามคอยตามแล้วยึดถือเป็นแนวในการดาเนินชีวิตคือสังคมเหล่านั้นที่จริงมันมีการเบียดเบียนประทุษร้ายกันค่อนข้างมากและกนาะที่เห็นเห็นคนดีไม่ได้เห็นคนได้ไม่ดีเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ตลอดไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในจุดในฐานะอะไรก็ตาม บางครั้งคนบางคนเราก็คาดหวังนะฮะอย่างยกตัวอย่างว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็คาดหวังในส่วนตัวเราก็ไม่รู้จักแต่ว่าเราก็มองเห็นความคิดความอ่านการทํางานความฉลาดปราดเปรื่องการมองปัญหาต่งตางๆรู้สึกว่าชัดเจนแล้วก็กล้าคิดกล้าทกาการตัดสินใจ ก็นึว่าคนเหล่านี้ยที่จริงก็ควรจะอยู่ช่วยชาติบันเมง อ, อย่างน้อยก็สักสี่ปีถ้าให้ดีก็ได้สักแปดปีคือจะสืบต่อ ง, งานให้ได้ความหนักแน่นมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศแต่มีคนบางพวกที่เขาขัดแย้งผลประโยชน์ก็มีไม่ชอบก็มี เพราะนั้นมันก็เป็นปกติธรรมดาจะมีคราวหนึ่งมีการคัดเลือกคนไปทำหน้าที่สำคัญเป็นองค์กรใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคนดีอยู่ในศีลในธรรมชื่อสจัจจริตรตั้งแต่ไหนแต่ไรมาที่ตอนที่เขาไม่สอบผ่านมันไม่มีอะไรพอก็สอบผ่านปรากฏว่ามีบัตรชนเทเยอะไปหมด แล้วกล่นโคดกันมาตั้งแต่โบราณเลยกวบดีเจอผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้ท่านกวก็สิบถามเลยบอกไปทางฟังบอกว่าก็รู้จักคนพวนี้มาตั้งแต่เขาเล็กๆ ก, กันนะตั้งแต่เป็นสามัญชก็เป็นคนที่ได้งานได้การแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริต แต่ก็เด่นนะฮะคนเขาก็คงลิษยาเป็นปกติแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วเขาไม่มีปัญหาอะไรก็ดีใจนะฮะก็ทราบว่าเขาผ่านไปได้คือการมองอย่างนี้เราต้องมีพื้นฐานของมุติตาในกรณีที่เขาเจริญด้วยลาบโดยน์โดยสรรเสริญด้ว ย, วยความสุขเนี่ยหรือเขาเป็นอะไรเดียวกันเนี่ยใจเราต้องมีมุติตา แต่ถ้าหากว่าใจรราดิสยาหรือต้องการจะมีส่วนแบ่งมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยมันทำใจยากดังนั้นพื้นฐานใจที่เกี่ยวกับคนพระเจ้าจึงทรงสอนเน้นหนักไปที่เมตตาเป็นคานหลักเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราขาดเมตตาแล้วเนี่ยเราเมติตาไม่ได้เ ร, เราการุณาไม่ได้อเบคาก์ทําทำไม่ได้ จึ ง, งเริ่มต้นที่เมตตาให้ได้เสียก่อนถ้าหากวเมตตาได้แล้วอย่างอื่นก็เดินไปได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราพูดจา ก, กับบุคคลทั้งสามกลุ่มเนี่ยคือคนที่ยังไม่สามัคคีกันก็ส่งเสริมคนที่สามัคคีกันมาก่อนมีข้าวจะแตกแยกก็พูดประสานคนที่สามัคคีกันอยู่แล้วเราก็พูดกระชับ เกิดสามาัคคีมากยิ่งขึ้นก็ชื่อว่าได้ทำบุญด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจก็เรียกว่าอย่างน้อยเราก็เห็นเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมที่สะท้อนออกมาจากใจซึ่งมีความมุ่งดีปรารถนานดีเพราะจริงๆการพูดในลักษณะนั้นเราได้ปฏิบัติทรรมากเราได้พูดไปวจิตสุจริต เราได้มีโมโนสุจริตแต่คนที่ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นรู ป, ปรธรรมนั้นคือคนที่เราพูดด้วยหรือพูดถึงการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมในลนักษณะนี้ที่จริงง่ายนะฮะแต่ว่ามันขจัดกิเลสได้เยอะเพื่ อ, อย่าลืมว่าการไปส่งเสริมสนับสนุนคนให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันก็แสดงว่าใจเราต้องเมตตาต่อบุคคลทั้งสองฝ่าย แต่นี่การที่คนก็เคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผัวเมีอยอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขแล้วก็เกิดระแวงเกิทดทะเลาะกันแต่การที่เราไปพูดประสานให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแสดงว่าเรามีความกรุณาคือแทนที่จะสะใจต้องการจะซ้าเติมให้มากยิ่งขึ้นแต่เราก็เกิดกรุณาต่อเขาว่าถ้าหากว่าแตกแยกกันแล้วเนี่ยมันเดือดร้อน ตัวเขาทั้งคู่เองก็เดือดร้อนลูกต้าก็เดือดร้อนมันมีปัญหามือนก็สร้างระลอ บ, บาปไปแก่ครอบครัวสภาพการหย่าร้างนี่ที่จริงเป็นเรื่องใหญ่นะเมื่อก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกันเนี่ยต้องคิดให้หลายตลบหน่อยแต่ถ้ามีลูกมีต้าแลือเกิ ด, ดจะ่าร้างกันเนี่ยมันมีปัญหา แล้วก็กลายเป็นมรดกบาปเป็นสนิมใจที่สร้างความรับแค้งความคุนเคืองความทุกข์ให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของผู้ที่เป็นลูกแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายสามีแล้วก็ภรรยาทีนี้ในกรณีที่เขาสามัคคีกันอยู่คือตามปกติแล้วเนี่ยเห็นคนอื่นก็ได้ดีี่คนมริษยาแต่ว่าก็มีคนคนหนึ่งที่จมา แสดงมุทิตาจิตต่ อ, อเขาแล้วก็ชื่นชมในความเป็นนันหนึ่งอันเดียวในความสมานสามาคัคคีของเขาได้ก็ไปพูดกระชับให้เขาสามาคัคคีกันมากยิ่งขึ้นเห็นไหมเป็นการขวนขวายด้วยวาจาเป็นการขวนขวายด้วยกายแล้วก็เป็นการเหนียวนึกจุดนึกที่เป็นกุศลอยู่ภายในใจของบุคคลเหล่านั้น แล้วนี้ที่จริงมันก็เกินเกินพระจีสุจริตมาคือเกินสัมมาวาจานะสัมมาวาจาร์เขาพูดแต่ระดับงดเว้นแต่นี้ก็ก้าวมาถึงระดับประพฤติปฏิบัติคือระดับสัมมาวาจานี่ท่านพูดเพียงแค่งดเว้นจากการพูดเท็จก็เว้นจากการพูดโสเสียก็เว้นจากการพูดคําหยาบก็เว้นจากการพูดเพื่อเจอเร์เลวไหล แต่ปัญหาว่ามึงมดเล่นอย่างนี้เราจะพูดยังไงมันก็พูดอย่างนี้พูดคำสัดคำจริงตามที่ตนได้เห็นมาได้ยินมาได้ทราบมาได้รู้มาแล้วพูดส่งเสริมสามาคัคคีประสานสามาคัคคีกระชับสามัคคีไม่คมอีกคำหนึ่งที่ทรงใช้คำว่าพผลสวัสนจะแปลกันว่าคำหยาก เป็นชื่อของขวานนะฮะเป็นชื่อของเครื่องมืออย่างหนึ่งอรุษะเนี่ยมีหน้านะที่ถากเดี๋ยวบางครั้งบางคราวก็สรงแสดงว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยก็พกขวานติดปากกันมาคนละเล่มเราก็ใช้ไปในการถากคนอื่นขวานนี่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าถากด้านตัวเองไม่ได้เ้าถากคนอื่นได้หมดคุณถากตัวเองไม่ได้ นคนที่กล่าวคำหยาบก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะขาดการมองการตรวจสอบความประพฤติของตัวเองชอบวิภากวิจารณ์ด่าว่านินทาคนอื่นกันโดยประการต่างๆทีนี้คำหยาบเนี่ยมันมีนัยยะอยู่สองสองนัยยะนัยยะหนึ่งเนี่ยคือคำที่พูดเป็นคำดา่าในสมัยพุทธกาลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มัน ก้าวหน้าไปหลายๆเรื่องนะครับคำหยาบเนี่ยคำด่าทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าอากโกสวัตถุคือคำที่เราใช้ด่ากันมันมีทั้งหมดสามชุดนะฮะโดยจากการสังเกตเท่าที่พบมาก็เจอมีอยู่สามชุดชุดหนึ่งมันคำด่าหยาบคาย ด่าเป็นหมูเป็นมาหมาเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นอะไรกร็วางกันไปอันนี้แรงคือสิบข้อของกันพระด่าแรงพระพุทธเจ้าเคยโดนด่าที่กุมโกสัมพีโดยนางมาคันเดียาจางคนให้ด่าเพราะว่าโกรธที่พ่อของเธอไปเอาเธอไปมอบถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับ แล้วก็บอกอุปมาร่างกายของคนว่าเหมือนกับหม้อที่เต็มไปด้วยของไม่สะอารลุรงไม่สามารถจะถูกต้องได้แม้ด้วยเท้าเธอโกรธมากไม่รู้จะทายังไงกับพระพุทธเจ้าต่อมาเธอก็ได้เป็นไมเสีของพระเจ้าอุเทนแ่งกรุงโกสัมพีพระเจ้าเสด็จไปในเมืองโกสัมพีเธอไปจ้างคนมาด่า ดาทุกตรอกทุกถนนนะพระเจ้าเสด็จไปไหนก็มีคนรับจ้างดา่าไอคนด่ามันก็ไม่ประสีภาษาไม่ได้ปวดเคืองอะไรเป็นมือปืนรับจ้างนะเหมือนกระปุกม็อบบางม็อบแต่มีมือมือมีคนรับจ้างเยอะถ้าโนเดือดร้อนเนียกราบทูลหรวพุทธเจ้าบอกเมืองนี้คนด่าเยอะเหลือเกินไปที่ไหนก็มีแต่คนด่าก็น่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นพระเจ้าเราสั่งถามมันไปอยู่ที่ไหน ก็ยกเมือง ต, งต่างๆขึ้นมานะครับพระเจ้ารับสั่งถามมาแล้วถ้าเขาด่าที่เมืองนั้นอ ย, าอย่างไ ร, รทำยังไงปานนลบอกก็ย้ายไปเรื่อยๆพระเจ้ารับสั่งไม่สําเร็จหรอกปานน์ปัญหามันเกิดที่ไหนเนี่ยมันควรระงับที่นั่นเรืเหตุการณ์ที่เขาด่าพระองค์เนี่ยมันก็ไม่เกินเจ็ดวันหรอกก็จะสงบไปเองคนที่ด่าได้นานๆเนี่ยมันอีควาเนิงไปด่าตอบเขา ถ้าปล่อก็ด่าคนเดียวหมดภูมิเองอะ่ะมันไม่มีคำเลยจะดา่ามีเขาเล่าให้ฟังว่าในจังหวัดหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทันึกอะไรขึ้นมาก็ไปว่ามันเป็นงานประจำปีเป็นเทศกาลประจำปีมีแข่งขันอะไรกันเยอะมีการประกวดแข่งขันคนดา่าคือมีคำดา่าแล้วใครด่าได้นานที่สุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะ นี่ก็แม้ประคำที่ด่าแล้วเนี่ยดา่ดาด่อีกไม่ได้คือด่าได้ครั้งเดียวออกมาประกวดมาตั้งแต่ตำบลอำเภอ ม, มาเรื่อยนะฮะมาถึงงานประจําปีของจังหวัดก็ยืนขึ้นดา่ามันไม่มีการด่าตอบด่าคนเดียวะคือใกล้ๆก็เอาคําด่ามาสาทยายคําด่ามันยิ่งมันก็มีไม่ใช่บากเท่าไร ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยด่าได้ห้านาทีนะคนที่ชนะมาหมดทุกอำเภอเนี่ยด่าได้แค่ห้านาทีก็หมดภูมิแล้วผู้หญิงด่าได้เจ็ดนาทีก็หมดภูมิเหมือนกันแต่เป็นคนที่ด่าได้กันเรื่อยแต่พอด่าไปด่ามาโยกกันไปโย ก, กันมาคือคำคำเบี้ยนั่นแหละก็ด่าแล้วด่อีก เันาะคำหยาบในลักษณะนี้เมื่อเขาไปดา่าพระพุทธเจ้าเขาชอาไปดา่าต่อแม่ได้ตอก็ซ้ําๆำซากๆอ่ะก็ด่าแล้วด่าอีกอยู่นั่นเองแต่ว่าด่าคนเดียวในสุดก็เลิกไปอีกชุดหนึ่งเป็นการด่าเทียบเคียงเขาเรียกอังโกสวัตถุเหมือนกันอ่าเทียบเคียงเช่นว่าอดําเป็นตอตะโกหรือสูงเป็นเปรดหรือว่าอ้วนเป็นหมูอะไรต่ออะไรเนี่ยหรือเตี้ยเป็นคนแคร่ ก็แล้วแต่จะดานะก็เป็นการเทียบเคียงบางทีอาจจะไปเทียบเคียงถึงสกุลเช่นว่าจิตตาเครื่องอบอ ด, ดีนี่เคยถูกประสู ธ, ธรรมดาเรื่องขนมแดกงาคือต้นสกุลของท่านจิตตาเครื่องอบอ ด, ดีเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาด้วยขายขนมแดกงารูปร่างเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็เรียกขนมแด็กงาอันนี้ถือว่าเป็ น, ปนคำดา่า อีกคำด่าชุดหนึ่งเป็นคำด่าคลาสสิกมากฟังแล้วไม่รู้เรื่องะเคยมีคนดา่าเวรัญชพรามเนีเคยดา่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงรับหมดแล้วก็แก้หมดะเช่นสมมติว่าเชคุตฉีแปลว่ามักรังเกียจพระพุทธเจ้าประหาบประจริงพระองค์ในรังเกียจบ้าปะคับโพคัดท่านหมายเนี่ยว่าไม่รู้จะพูดจะเกิด พระเิจาร์บอกจริงพระองค์ไม่มีผุดเกิดแล้วเพราะว่ากิเลสแตนเนตให้เกิดในสังสารวัฏของพระองค์ไม่มีกล่าวว่าเป็นกิริยาวาัติคือกล่าวการกระทำบาป พ, พระพุทธเจ้าก็พูดเป็นการกล่าวกระทําบุญนะฮะกิริยาวัติคือการไม่กระทําสามีจิ ก, กรรมที่ควรแก่การประพฤติธระทพระพุทธเจ้าบอกพระองค์ก็ทรงสอนเรื่งการไม่กระทําบาปเป็นต้นเนี่ยจะลงมาแก้หมดเวลาจะพรามก็จนด้วยกล้าวคือไม่รู้จะได้ยังไง ปเจ้ารับแต่อธิบายใช่ไหม่เพราะในคำเนี้ยคำตัวคำเนี่ยมันหยาบการที่ใครคนใดคนหนึ่งออกคําประเภทนี้มดาด่าเนี้ยแสดงว่ามีเจตนาหยาบอาจจะกโกรธอาจจิริษยาอาจจะค า, า, า, าดอาจจะแข่งดีอาจจะมุ่งประจานอะไรอะไรก็ตามก็แล้วแต่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคําไม่หยาบหรอวัตใจมันหยาบ ข้ไพเลาะข้ามฟังไม่ออกนะว่าก็ด่าหรือเปล่านะเช่นเจ้าพ่อใหญ่่สั่งลูกน้องอะไรไปเก็บฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยเอาคนนี้ไปนอนซะหน่อยนะให้รางวัลก็หน่อยช่วยส่งก็หน่อยอะไรเนี่ยคือคือดูแลดีตรงนั้นแต่ตายตรงนั้นเลยเนี่ยค้าเราเนี่ยถ้าเจ้าพ่อใหญ่เขาสั่งแล้วก็ตายตรงนั้นน่ย อาจจะส่งเพื่อนหน่อยส่งแขกหน่อยบอกลูกน้องลูกน้องรู้กันเอาให้รางวัลเขาหน่อยตกรางวัลเขาหน่อยเอานําเขาไปพักผ่อนจะหน่อยนําเขาไปนอนจะหน่อยอะไรแต่เนี่ยคาหวานนะฮะแต่นี่คืออยากคือเจตนาอยากแต่ทีนี้บางทีเนี่ยคํามันมันอยากแต่ว่าเจตนาไม่อยากเขาก็ถือไม่อยากนะ เพราะว่าพวกนี้เป็นศีลทางขังจะต้องจับประเด็นให้ได้นะมันเป็นศีลมันเป็นศีลพูดออไปก็เป็นกรรมนะเจตนาหั่นพิกเวกับมังวดามีดุก่อนพิสูจท์ต่างหลายเราเห็นเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมเป็นเครื่องส่องเจตนาบนการกระทำเนี่ยแสดงถึงเจตนาที่การกระทําบางอย่างเนี่ยมันคนละเจตนากันนะเช่นว่าแม่ด่าลูกหรือบางทีก็แช่งลูก ถามว่าแม่แช่งจริงหรือเปล่าแม่ต้องการในความพิบัติเดือดร้อนเกิดขึ้นกับลูกจริงหรือเปล่าก็เปล่าะในอัตกถาท่านเล่าตัวอย่างว่าแม่คนหนึ่งอยู่บ้านในป่า ก, กับลูกชายลูกชายก็ชอบไปเที่ยวแม่ก็ห้ามปรานยังไงลูกก็ไม่ฟังเลยแม่ก็บอกว่าเออไปสิให้ช้างป่ามันขวิดได้ตายไอไอ้ควายป่ามันขวีดได้ตายจะเลยลูกชายก็ไป จะเจอควายป่าตกใจเหมือนกันแล้วก็ยืนคิดยืนอธิษฐานใจเพราะถ้าแม่พูดคําพูดนี้ด้วยปากขอให้แกรอดปลอดภัยจากอันตรายจะทําแม่พูดคําพูดนี้ด้วยใจคือต้องการจะให้ควายป่าขิดเกศจริงชีวิตนี้ก็มาจากแม่ก็ท้ายตายไปเลยเพราะว่าแกเป็นคนดี หยุดในที่ฐานใจแล้วก็ค่ายป่ามองเหมื่อมองน้อยหนึ่งแล้วก็หลีกหนีไปทางอื่นนั้นก็แสดงว่าคําพูดเนี่ยตกลงว่ามันเป็นคําด่าคําหยาบอาจจะด่ากระทบอาจจะยกให้สูงเกินฐานะที่เป็นขรเวนนะฮะเช่นว่าเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาเรียกเป็นคุณนายเรียกเป็นคุณหญิงเรียกเป็นท่านผู้หญิงอเรียกเป็นท่านผู้ว่าเรียกเป็นทสเรียกเป็นอะไรแต่ไรเนี่ยต่างต่าง่เขาไม่ได้เป็นนั ตะวันก่อนมาฟังรายการใหนเขาสนทนาคือเขาเรียกพิธีกรซึ่งอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นรัฐมนตรีเออเขาก็เรียกท่านรัฐมนตรีก็ เ, เป็นตั้งแต่โน่นตั้งแต่สองสองศูนย์นั่นนะเขาก็ขอร้องบอกอย่าเรียกคนนั่นบอกไม่ได้อะเป็นรัฐมนตรีก็เป็นตลอดชีวิตผมศรัทธาที่จะเรียก เลยขอร้องต่อรองกันไปต่อรองกันมาขอร้องเรียกเรียกคุณเฉยๆก็ที่จริงเนี่ยเมื่อเขาไม่เป็นคือไม่เป็นนะะเรียกตอนที่เขาเป็นมันไม่จะเป็นตลอดหรอกไม่มีอะไรเป็นตลอดเป็นพระก็เราไม่เป็นตลอดอ่าพอรู้สึกเราก็ไม่เป็นพระแล้วจะเรียกพระอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรือบางครั้งบางคราวพระมีสมณศักดิ์แต่งตั้งกันไปตอนแต่งตั้งเป็นยังไงก็เรียกอย่างนั้น วันก่อนเนี่ยคุณสนสวงบุญก็าเล่าใ้ฟังว่าสมเด็จประสังกราช ร, ราชฎรพิทิศเนี่ยท่านเสด็จที่ประเจีนพอเสด็จไปถึงเนี่ยพิธีกรโคศก็ป ร, ประกาศสมเด็จประสังกราชเจ้าสเด ส, าเาสเด็จมาแล้วเนี่ยท่านไม่กล้ายงเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าสื่อสารพี่เป็นเท็ะท่านไม่ได้เป็นสังฆราชเจ้าถ้าคืนลงไปก็ท่านก็รับสม้างั้นท่านเป็นสังฆราชเจ้า คือพระในท่านละเมิดละไมมาสมเด็จวัดอัปพิษเนี่ยเป็นพระเทาที่ละเมิดละไมมามเรื่องบนเรื่องเนี่ยนะมันบางทีเราตีตั๋วเครื่องบินเนี่ยตั๋วเครื่องบินบางทีมันใส่ชื่อเราผิดเราก็ต้องแก้เพราะมันสําแดงเอกสารที่เป็นเท็จเราไม่ได้เป็นคนนั้นแม้สมมติเราเคยเป็นนะเคยเป็นมาในสมัยหนึ่งแล้วต่อมาเราเลื่อนไปเราไปใช้ตรงนั้นไม่ได้เราไม่มีสิทธิจะใช้ นะพอเราก็เราก็ตั้งตั้งมาแล้วอันนี้ก็คือคือเป็นความระเมียดละใหม่ในการที่จะรักษาความถูกต้องการสื่อสารที่ถูกต้องคือถ้าไม่งั้นก็กลายเป็นการรับสมอ้าและเอกสารเหล่านั้นที่จริงมันก็ไม่ถูกคือไม่มีคนชื่อนั้นอยู่ในโลกนี้เ ป, นเป็นเรื่องที่ระเมียดละใหม่ต้องสื่อสารให้ ถูกตรงตามความเป็นจริงก็เตที่ที่ได้กลา่าวไว้ในวันก่อนมาลายศัตรีศิวาจาเนี่ยว่าจ า, า, จ า, า, จ า, า, จาเป็นเช่นกัะใจพตะะ้นคำด่าบางคราวเนี่ยถ้าเจตนาไม่หยาบอยาบแม้แต่คำดา่ามันก็ถือไม่หยาบแต่บางครั้งคำไพเราะแต่ว่าเจตนาหยาบเจตนารุนแรงก็ถือว่าเป็นคำหยาคือว่า เขารีปรทุสจิตจิตคิดปทุสายจิตคิดปทุสไยอาจจะพูดเพราะยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นคำํนำยากผลสัมมาวาจายกการเจรจาชอบเนี่ยก็ได้แก่การงดเว้นจากการพูดเท็จมาพูดคําสั์คําจริงก็เป็นจากการพูดสอดเสียดมาพูดคําประสงเสริมสมัรสรสครีภาษาสมัครีกระชับสามัครีแล้วก็พูดคําที่ไพเราะอ่อนหวานซึ่ง เจตนาต้องดีด้วยนะมีขรอแม้ตรงนี้ต้องต้องต้องมีข้อแม้ต้องฟวางทลายแต่โรงประภิยายในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจูบีแต่ท่านผู้ฟังถลายโดยทั่วกันสวัสดี